หนังสือหลวงปู่ชอบนี่เกี่ยวกับหลวงปู่ชอบหลวงตาท่านเคยเล่าเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นเรือหนังสือปฏิปทาไม่จำไม่ได้แต่หลวงปู่ชอบนี่ท่านมีเทวดามาคอยดูแลคุ้มครองครั้งหนึ่งท่านอดอาหารหลายวันเทวดาสงสาร มาจะเอาอาหารทิพย์มาถวายท่านแต่ต้องต้องเป็นต้องเฉลอมเป็นชฉลมกับร่างกายท่านแต่เทวดานี้เป็นผู้หญิงท่า น, นบอกไม่ได้ถ้าไม่ต้องเข้าสมาธินะเห็นเทวดาได้โดยที่พลังจิตท่านสามารถ คุยกับเทวดาเหมือนกับคุยกับคนท่านเห็นเทวดาแต่คนอื่นไม่เห็นนี่คือพลังจิตของแต่ละคนถ้าได้รับการพัฒนาก็จะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเพียงแต่ว่าความสามารถเหล่านี้ไม่เป็นคุณประโยชน์ ต่อการกำจัดกิเลสต่อการดับความทุกข์ต่างๆท่า น, นั้นเองเช่นมีตาทิพย์มีหูทิพย์สามารถเห็นเทวดาคุยกับเทวดาได้แต่ความสามารถพิเศษนี้ฆ่ากิเลสไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสเพราะไม่มีอุเบกขา พระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยส่งเสริมเรื่องอัพินยาแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพราะของพวกนี้มันเป็นวาสนาของแต่ละคนคนแต่ละคนอาจจะมีการบำเพ็ญมีการสร้างบา ร, รมีต่างกัน พอมาบำเพ็ญในชาติปัจจุบันสิ่งที่เคยได้พัฒนามามันก็โผล่ขึ้นมาเคยมีตาทิพย์มันก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์ก็มีหูทิพย์เนี่ยอ่านความคิดของผู้อื่นได้ ล, ลึกชาติได้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่มีอุบเบกขา เวลาเกิดตัณหาความอยากแล้วสู้ไม่ได้ใจจะสัน่นใจจะไม่สบายหงุดหงิดแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบอัปปนาแบบที่มีอุเบกานี่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะไม่สัน่นใจจะสู้ใจจะหยุดได้หยุดความอยากฝืนความอยากได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้ความสามารถพิเศษพระพุทธเจ้าก็มีพระโมคคัลลานะก็มีแต่พระสาริบุตรไม่มีพระสาริบุตรนี้ท่านไม่มีความสามารถพิเศษทางด้านอภิญญาแต่ท่านมีความสามารถพิเศษในการแสดงธรรมมีความฉลาดสามารถ แจกแจงธรรมะอธิบายธรรมะให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างง่ายดายอย่างสว่างสวยัยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องภาษารลุ่ตให้เป็นอักขละสาวกขวาเพราะมีความสามารถทางปัญญารองจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการแสดงธรรมนี ไม่มีใครที่จะเก่งเท่ากับภาษาลิบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าส่วนพระโมคคัลลานะท่านทรงยกย่องว่าเป็นผู้เก่งทางด้านอภิญญาไม่มีใครจะเก่งเท่ากับพระโมคคัลลานะในเรื่องของอภิญญารองจากพระพุทธเจ้าอท่านให้ ปัญญาเป็นมือขวาเพราะปัญญานี่กำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสตัณหายุติการเวียนว่าตายเกิดได้แต่อภินยาความสามารถพิเศษเหล่านี้ทำไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นปัญญาก็คือการเห็นปลายลักษณ์เห็นนิจจงทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจสี 4. ว่าทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากการจะหลุดพ้นจากความทุกได้ต้องเกิดจากการมีมรรคคือมีศีลสมาธิและปัญญาปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีอะไรกําจัดดับความทุกได้อย่างถาวรศีลก็ดับไม่ได้ถาวร สมาธิก็ดับไม่ได้ถาวรปัญญาเท่านั้นที่จะดับได้ถาวรศีน์ดับได้ชั่วคราววันไหนถือศีลก็สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปได้วันไหนไม่ฆ่าสัตว์วันนั้นความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ขโมยทรัพย์ของผู้อื่นวันนั้น ความทุกข์ที่เกิดจากการขโมยทรัพย์ก็ไม่มีแ ต, แต่ความความอยากที่จะฆ่าสัตว์หรือรลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ยังไม่หมดหมดไปวันดีคืนดีวันไหนเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่ได้ถือศีลหรือหรือว่าศีลขาดก็ไปทำบาปได้ ทำบาปแล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาสมาธิก็หยุดความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาพอมารับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มารับรู้กับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากไม่ได้ถูกทำลายด้วยกำลังของสมาธิสมาธิเพียงแต่กดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าหญ้าเวลามีหินทับไว้มันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกพอมันได้น้าฝนได้น้าค้าง เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่ารากของต้นหญ้ามันไม่ได้ถูกถ อ, ถอนออกจากดินนั่นเองฉันไดสมาธิก็กดกิเลสกดตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไว้แต่ไม่ได้ถอนรากของกิเลสคือความหลงรากของความอยากรากของความโลภคือความหลง ตรงที่ไปเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้มีสุขได้สิ่งนี้มีแล้วจะมีความสุขเน่ยแต่มันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยแต่มีเบ็ดติดมาด้วยพอไปหุบเหยื่อก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากพอไปอยากได้สิ่งนั้นมา พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทันทีเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่แน่นอนมันไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่เวลามันอยู่ก็ให้ความสุขกับเราพอเวลามันไม่อยู่หรือเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราอันนี้ปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเนะี่ยมันเป็นความสุขแบบมีความทุกข์ซ่อนอยู่พอได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้ทุกข์เพราะเรารักเราหวงสิ่งที่เราได้มาเพราะสิ่งที่เราได้มาให้ความสุขกับเราเราก็เลยรักเลยหวงแต่สิ่งที่เราได้มาบางทีเขาไม่แน่นอน บางทีเขาเปลี่ยนไปจากดีกับเรามาเป็นไม่ดีกับเราเช่นคนที่เราเอามาเป็นแฟนเนี่ยเวลาได้มาใหม่ ๆ, ๆเขาก็ดีกับเราทุกอย่างอยากให้เขาทำอะไร<ๆ>เขาก็ทำให้เราดูแลเราให้ความสุขกับเราแต่ระยะเวลาผ่านไป<ๆ>เขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากการที่จะ คอยดูแลเราช่วยเหลือเรารับใช้เราก็ไม่ทำอย่างที่เคยทำเลยพอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ความความน้อยใจก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเ็าแอบไปมีแฟนใหม่ยิ่งยิ่งทำให้เราเสียใจมากขึ้นถ้าเรามาทราบภายหลังหรือเขาดีกับเรา ไม่เปลี่ยนแต่เข้าไปเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนกดตายลดความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้พอมันเปลี่ยนไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้จะไม่จะไม่กล้าอยากได้อะไรเพราะไม่อยากจะทุกข์ที่ยังอยากได้เพราะยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ยังเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียิงกลิ่นรสต่างๆยังเป็นสุขอยู่เลยพยายามหากัน ลาบเนี่ยเงินทองคือลาบวันนี้หวยออกเนี่ยค อ, อยไปแทงหวยกันนะไม่เข็ดพอเดี๋ยวออกไม่ถูกก็ทุกข์ละเสียใจเสียเงินไปเปล่าๆเพราะความโลภอยากได้เงินมาแบบง่ายๆแบบเร็วๆแบบมากๆก็เลยแทงหวยกันะ พอไม่ถูกก็เสียใจถ้าถูกก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอใช้หมดก็ต้องมาแทงหวยใหม่เดี๋ยวงวดหน้าก็ต้องมาแทงใหม่นี่คือความทุกข์ที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วเดี๋ยวบางทีก็ใช้มันหมดไปเงินทองหามาได้ปับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช้หมดแล้ว หมดก็ต้องไปหาใหม่เวลาหาใหม่ก็ก็ลำบากทุกเงินทองมันไม่เหมือนน้ำฝนเวลาตกลงมาเราก็ลองกันได้เหมือนต้องไปขุดเหมือนขุดเพชรขุดทองกันบางคนต้องไปต่างประเทศนะก็เลยไปขุดทองต่างประเทศสมัยก่อนก็ไปทางภาคตะวะันไปประเทศตะวันออกกลาง อย่างนี้ก็มาทางทางเอเชียสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันวประเทศเหล่านี้เขากาลังพัฒนาเขาต้องการแรงงานมากคนงานคนในประเทศเขาไม่ไม่ทางานแบบนี้เหมือนกับประเทศเราก็มีชาวต่างชาติก็มาทำงานที่เราไม่ทำกันงานที่ใช้แรงงานงต่างๆ ก็มีช า, ามชาวต่างชาติเพื่อนบ้านก็ามาขุดทองกันเเนี่ยกว่าจะได้เงินทองมาก็เหนื่อยยากพอได้มาก็ไปซื้อความสุขแป๊บเดียวก็หมดแล้วพอหมดแล้วก็เดือดร้อนไม่มีใช้อีกแล้วทุกข์อีกแล้วก็ต้องไปหาใหม่คนฉลาด ให้รู้ว่ามันทุกข์ก็ไม่ใช้เงินดีกว่าไปบวชพระดีกว่าพอไปบวชพระก็ไม่มีเงินใช้ก็เลยไม่ต้องทุกข์กับเงินไม่ต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองหาเช้ากินข่ามไปวันวันวันํามือก็พอเช้าไปบินตะบาดหาเช้ากินเช้าไม่ใช่ไม่เช้ากินคํามพระกินขําไม่ได้หาเช้าก็กินเช้าเลย บินทบาทกลับมาเสร็จก็ฉันเลยฉันเสร็จก็จบเรื่องปากท้องก็หมดปัญหาไปเงินทองไม่ต้องใช้สบายกว่าถ้ามีเงินทองเดี๋ยต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเสียภาษีอะไรต่างๆพอไม่มีเขาก็เลยไม่มาเก็บคนอื่นจ่ายให้มีญาติโยมอยากจะทำบุญก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ เสื uh ้ออาหารใส่บาทให้ก็อยู่ได้อยู่แบบไม่ทุกข์กับลาบตำแหน่งก็ไม่มีไม่ต้องไม่ต้องไปมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกนั้นหัวหน้าแผนกนี้เป็นนายคนนั้นนายคนนี้เป็นผู้จัดการโรงแรมก็มีผู้จัดการที่ไหนก็ต้องมีหัวหน้าธนาคารก็มีผู้จัดการอยากจะเป็นหัวหน้ากัน ว่คิดว่าเป็นแล้วเท่แต่ไม่รู้ว่าปวดหัวมากกว่าคนที่ไม่เป็นเพราะความรับผิดชอบมันมากกว่าอะไรทั้งหลายมันจะตกที่ผู้จัดการที่หัวหน้าหมดต้องรับผิดชอบเยอะกว่าแต่คนไปมองที่ด้านของความสุขคือได้เงิน เ, นเดือนมากกว่าเขามีอำนาจสามารถสั่งลูกน้องได้มีลูกน้องไว รับใช้สั่งให้ทำํทำทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้แต่ก็ต้องไปเป็นลูกน้องของคนอื่นผู้จัดการก็ต้องมีผู้เป็นเจ้านายของผู้จัดการเนี่ยเห็นเป็นอะไรมันต้องมีเจ้านาย ข, ข, ขนาดเป็นนายกก็ยังมีเจ้านายของนายกะประชาชนนี่คอยทวงถามอยู่เลยนายกเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสักทีเมื่อหร่จะเลือกตั้งสักที <c oughs> พอมีเจ้านายมาคอยถ่ายถามก็ไม่สบายใจหงุดหงิดนาคาญใจนี่แหละคือความทุกข์ที่ตามมากับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราได้ลาบก็ทุกข์กับลาบได้ยศก็ทุกข์กับยศได้สรรเส ร, ริญก็ทุกข์กับสรรเสริญพอได้แล้วมันติดมันอยากใช้ก็สรรเสริญอยู่เรื่อยๆพอใครมาตาหนิหน่อย มาพูดไม่ถูกใจหน่อยก็เสียใจโกรธขึ้นมาทั้งทั้งที่เป็นเป็นความจริงแต่ไม่อยากฟังความจริงอยากจะฟังแต่คำสรรเสริญสวยๆงามๆพระพุทธเจ้าท่านรู้กิเลสแบบนี้แม้กระพระถึงมาบมาบวชแล้วก็ยังชอบสรรเสริญอยู่ ไม่ชอบถูกทำหนตรเตียนไม่ชอบให้ถูกว่ากล่าวสั่งสอนพระพุทธเจ้าเลยต้องบังคับให้พระนีปะ้ปวารณาตัวคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตำหนิว่ากล่าวตักเตือนได้ถ้าเห็นข้าพาเจ้าหรือได้ยินว่าข้าพเจ้าพูดอะไรหรือสงสัยในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรด บอกข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะการตำหนิของผู้อื่นด้วยเหตุด้วยผลนี้มันเป็นคุณประโยชน์กับผู้ที่ถูกตำหนิเพราะเป็นเหมือนกับการชี้ข้อบกพร่องของผู้ที่ถูกตำหนิเปรียบเหมือนกับการชีข้ขุมทรัพย์เพราะว่าเมื่อเรามองไม่เห็นข้อบกพร่องของเราคนอื่นเขาเห็น เขาบอกเราเราแก้ไขข้อบกพร่องนั้นก็จะหายไปเราก็จะไม่มีข้อบกพร่องต่อไปใครเห็นเราเขาก็ไม่มีอะไรจะตําหนิเราได้เปรียบเหมือนกับกระจกเงาที่เราส่องหน้าเราเราทําไมต้องมีกระจกกันเพราะเวลาเราจะแต่งหน้ากันเราจะอออกจากบ้านกันนี่เราต้องสํารวจดูหน้าตาเราก่อนว่าหน้าตาเราไปวัดไปวาได้หรือเปล่า ถ้าไม่มีกระจกเดี๋ยวไม่รู้ขี้มูกติดอยู่ตรงปลายจมูกก็มองไม่เห็นขีตาติดอยู่ที่ตาก็มองไม่เห็นถ้าปากก็เบี้ยวอย่างนี้าคิ้วก็เบี้ยวอย่างนี้ถ้าไม่มีกระจกเนี่ยก็ต้องอาศัยกระจกเป็นผู้บอกว่าทำถูกหรือทำผิดเนี่ยอย่าถ้าผู้ที่เท้าตําหนิ ด, ด้วยเหตุ ด, ด้วยผลตําหนิ ด, ด้วยตอนเป็นจริงนี่เราควรที่จะขอบคุณเขา ถ้าเขาพูดว่าเราผิดตรงนี้ผิดจริงๆเราก็ควรที่จะขอบคุณเขาเพราะโดยนิสัยของคนเหล่านี้มักจะมองไม่เห็นความผิดของตนเองท่านบอกว่าความผิดของตนเองแม้จะกองเท่าภูเขาก็เห็นเป็นเหมือนผงธุรี ในทางกลับกันถ้าเป็นความผิดของคนอื่นเนี่ยแม้แต่จะเป็นผงธุลีก็เห็นเท่าเป็นกองภูเขากันนะในทางตัวเงินข้ามความดีของตอนแม้จะเท่าผงธุลีก็เห็นเป็นกองภูเขาส่วนความดีของคนอื่นแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นเหมือนผงธุลีเนี่ยนี่คือสันดานหรือนิสัยของคนเราชอบมองกันแบบนี้ ชอบมองตนดีกว่าชอบมองคนอื่นเร็วกว่าชอบมองคนในแง่ร้ายมากกว่ามองในแง่ดีชอบเพ่งโทษม า, ม า, มากกว่าชอบดูคุณเพ่งคุณของเขาพระพุทธเจ้าเข้าใจสันดานของคนดีแม้จะมาเป็นพระสันดานนี้มันก็ยังติดมาอยู่ จงยงไรต้องบังคับให้พระนี่ประวารณาตัวเองต่อพระทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระผู้ที่มีพรรษาน้อยกว่าหรือมากกว่าสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้กันหมดนี่แหละเป็นการอยู่แบบนักปราชญ์นักปราชญ์ท่านอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลท่านฟังด้วยเหตุด้วยผลท่านจะไม่มีการถือตัว ถือตัวก็ต้องกำจัดมันเพราะการถือตัวนี่มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาทำไมเราต้องมีครูมีอาจารย์ก็เพราะว่ากิเลสของเรามันคอยขัดขวางการพัฒนาจิตใจของเราเราเลยต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาคอยสอนคอยบอกว่านี้เป็นกิเลสนะทาอย่างนี้จะไม่ไม่เจริญก้าวหน้านะต้องกำจัดมันถือตัวไม่ได้นะ อดเก่งไม่ได้นะอดรู้อดเก่งไม่ดีนะเก่งได้แต่ไม่ต้องอวดทําไปอ่อนน้ำถ่อมตนดีกว่าอ่อนน้ำถทอมทตนนี่ไม่เป็นกิเลสทําตัวให้เป็นปัจตพีทําตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินแล้วไปอยู่กับใครก็อยู่ได้อย่างสบายถ้าถือเนื้อถือตัวว่าตนเองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูง ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาให้ไปล้างถ้วยล้างชามล้างส้วมก็จะทําไม่ได้เนี่ยที่คนไปอยู่วัดแล้วต้องไปล้างถ้วยล้างชามล้างส้วมกันเพื่อไปละกิเลสกันเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพระเนนที่บวชใหม่ทุกรูปเนี่ยพอบวชแล้วเนี่ยไปอยู่วัดป่าบ้านตานี่ต้องทํางานเหมือนคนใช้รับใช้ครูบาอาจารย์รับใช้พระผู้ใหญ่ล้างบาตรให้ท่านแบกบาตรให้ท่าน ล้างห้องซ่วมให้ท่านทำอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้กำจัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิตัวที่ถือเนื้อถือตัวว่าตอนนี้เป็นคนเก่งคนดีคนใหญ่บางคนบวชมาบวชแล้วยังถือว่าเป็นด็อกเตอร์อยู่นะเวลามีชื่ อ, อยังต้องเรียกพะกรพะด็อกเตอร์นู้นพระด็อกเตอร์นี่นั่นนะกิเลสมันติดตัวมาแล้ว เวลามาบวชนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเหมือนตายจากเพศคารวาดไปแล้วไม่มีด็อกเตอร์แล้วไม่มีนายพลนายพันติดตัวมาแล้วไม่มีอธิบดีไม่มีรัฐมนตรีติดตัวมาแล้วเนี่ยมีลูกชายของนายพลคนหนึ่งจบปริญญาโทรมาจะไปขอบวชที่วัดป่าบ้านตาดหลองตาท่านก็เมตตารับให้บวชให้อยู่แต่พอใกล้วันบวชก็มาขอปรึกษาว่า จะให้คนรับใช้มารับใช้ลูกได้หรือเปล่ามีตำรวจรับใช้ก็เป็นนายพลตำรวจก็มีตำรวจจะมารับใช้ช่วยรั้งบาตรช่วยอะไรหลวงตาบอกว่าถ้าจะาคนรับใช้มาพระก็ไม่ต้องมาลูกชายก็ไม่ต้องมาถ้าจะลูกชายมาก็ไม่ต้องเอาคนรับใช้มาเพราะการมาบวชนี่การเป็นการมาฝึกฝนอบรมจิตใจของตน ให้เป็นที่พึ่งของตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถให้เป็นผู้ปราศจากการถือนื้อถือตัวไม่มีแล้วเวลามาบวชไม่ได้เป็นลูกในผลแล้วไม่ได้เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องกันดูปรรษากายบวชก่อนก็เป็นพี่กายบวชหลังก็เป็นน้อง น้องก็ต้องกราบพี่ถึงแม้ทางโลกอาจจะเป็นใหญ่กว่าน้องแต่พอมาบวชแล้วนี้ต้องกราบผู้ที่แก่กว่าในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องนี้ให้ฟังช่วงที่พระตถจ้าวตัดสรู้แล้วพระ อ, องค์ก็ไปโปรดพระราชบิดาไปโปรดญาติพี่น้องในวังไปแสดงธรรมพอหลังจากแสดงธรรมก็มีเจ้าชายอยู่ห้ารูปเกิดศ ร, รัทธา อยากจะบวชแล้วก็มีช่างตัดผมของเจ้าชายขอติดตามบวช ด, ด้วยเจ้าชายเหล่านี้ก็เลยปรึกษากันเวลาจะบวชว่าจะให้จะให้ลูกน้องบวชก่อน เ, อเพื่อจะได้เป็นพี่และเวลาบวชแล้วก็จะต้องกราบลูกน้องไปตลอดชีวิตนี่คือการบวช ท, ที่แท้จริง บวชเพื่อมากำจัดกิเลสตัณหาโดยเฉพาะตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมานะทิฏฐิการถือเนื้อถือตัวอันนี้มันเป็นสมมุติทั้งนั้นแหละสมมติว่าเราใหญ่กว่าเขาเราเกิดเป็นลูกของเจ้านายเราก็เลยใหญ่กว่าคนที่เกิดเป็นลูกของขอทานแต่ใจจริงๆเหมือนกันใจร่างกายก็เหมือนกัน ใจก็เป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองแต่พอมาเข้าอยู่ในโลกของสมมุติก็เลยสมมุติกันไปในโลกที่เราอยู่นี้เป็นเหมือนโลงละครพอเข้าโลงละครนี้แล้วเขาจะให้บทเราทันทีพ่อเราเป็นอะไรเราก็ต้องเป็นตามพ่อเราทันทีพ่อเราเป็นขอทานก็เป็นลูกขอทาน พ่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาทันทีเท่นี้เป็นมาเล่นละครกันพอดีกรรมเป็นผู้กำกับให้เรามาสแสดงบทนี้กันมาเกิดเป็นลูกของใครก็ต้องสแสดงบทนั้นไปถ้าอยากจะพัฒนาก็ต้องออมีการดาเนินทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาพวกที่อยากจะเป็นนายลก็ไปเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนนายร้อย รับราชการนะเดี๋ยวมันก็ไต่เต้ า, ตาขึ้นไปพวกที่จะเป็นนักการเมืองก็ไปเลือกตั้งกันอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตในโลกสมมุติแต่จิตใจกับร่างกายมันก็เหมือนเดิมยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่จิตใจก็เหมือนเดิมเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมร่างกายก็เป็นร่างกายอาการ32เหมือนเดิมแต่สมมุติมันเปลี่ยนไป แล้วสมมุติเหล่านี้มันในที่สุดมันก็จบลงที่ที่เมนที่ลงศพเนี่ยก็มีเท่านั้นแต่ไม่ใช้ปัญญาพิจารากันก็เลยหลงไหลคลางไค้กับสมมติกับฐานะของตนว่าฉันเป็นใหญ่กว่าเธอเธอเป็นลูกน้องฉันพอเราจ้างเข้ามาได้แเ้าก็มารับใช้เราเราก็จะด่าเขาได้ว่าเขาได้ คนที่ต้องรับใช้เราต้องเอาเงินเขาก็ต้องอดทนเนาะเขาด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาว่าเขาปล่อยเขาว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องของอจิตใจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังไม่ได้รับการสั่งสอนก็จะหลงไปตามกับเหตุการณ์ของสมมุติ แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านจะรู้ความจริงว่าเรานี้เป็นเหมือนกันหมดเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่มาได้ร่างกายเพราะอำนาจของบุญของบาปที่เราทำมาในอดีตมันเลยพาให้เรามาเกิดสูงเกิดต่ากันเท่านั้นเองแต่เราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ เราเกิดสูงชาตินี้เดี๋ยวตายไปชาติหน้าเราอาจจะกลับมาเกิดต่าก็ได้ถ้าชาตินี้เราไปทำบาปเข้าเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็าจะกลับมาเกิดต่ําลูกที่มาเกิดต่าพอเขามาทำบุญเดี๋ยวชาติหน้าเขาก็กลับมาเกิดสูงก็ได้แต่ไม่รู้ไงพอมาเกิดแล้วก็หลงกับฐานะที่มาเกิดถ้าสูงก็ก็หลงไหลไปกับอานาจวาสนาของตน ถ้าเกิดต่าก็ต้องอดทนอดกลั้นต้องพยายามสู้เพื่อให้อยู่ได้อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้มีความรู้ทางเรื่องเรื่องจิตใจของเราอย่างแท้จริงก็ต้องเลยต้องไปไต่เต้าตไปตามตามตามสมมติของโลกที่เราไปเกิดอยู่ แต่ถ้ามาเจาพอพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์ท่านจะบอกว่าให้เรามาพัฒนาจิตใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับสมมุติไม่เกี่ยวกับสถานภาพว่าเป็นลูกของใครเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นขอทานเป็นอะไรจิตใจนี้ของคนทุกคนนี่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นจิตใจที่สูงที่ดีได้าศาสนาพุทธจึงเป็นาศาสนาที่แหวก แนวในสมัยพุทธการพุทธการาศาสนาในอินเดียก็มีแบ่งชาติชั้นวันละกันแบ่งคนไว้เป็นสี่ระดับนะเป็นเป็นพรามเป็นอะไรต่างๆพระพุทธาศาสนาบอกไม่มีเหมือนกันหมดใครจะมาบวชในาศาสนาพุทธนี้บวชได้หมดไม่ว่าจะมาจากวันณะไหนชั้นไหน ข อ, ของฮินดูเ็าไม่ได้คนที่จะไปบวชนี่จะต้องเป็นพวกพรามทั้งนั้นถึงจะบวชได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นรู้ความจริงของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนแนมะ้แต่ดวงจิตดวงใจของสัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกับของมนุษย์เเพียงแต่ว่าตอนนี้มันต้องไปรับผลของบาปที่มันได้ทาไว มันจึงไปได้ร่างกายของเดรัจฉานด้านั้นเองได้ร่างกายของแมวของสุนัขของปลาของนกของเสือของช้างนี่จิตใจก็จิตใจเหมือนกับจิตใจของที่พวกที่กําลังเป็นมนุษย์อยู่เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้พัฒนาแทนที่จะพัฒนากับฉุดลางให้มันลงลึกไปในหลุมของความหลงทําลายด้วยอารมณ์ทําลายด้วยความอยากเนี่ยมันจะเป็นตัวฉุด จิตใจให้ลงต่ำการที่จะดึงจิตใจให้สูงขึ้นนี่ต้องเป็นจิตใจที่มีความสงบจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีปัญญาที่รู้จักคิดตามหลักของความเป็นจริงต่างๆถึงจะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสูงได้นี่ก็พอได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะสอนวิธีพัฒนาจิตใจ ให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลให้ฝึกสมาธิให้ศึกษาให้เกิดปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆดูให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรนิ่งเฉยเหมือนเดิมแม้แต่ก้อนหินที่เราเห็นว่ามันนิ่งเฉยมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆผุค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆนานวันเข้าแต่มันจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยพันปีหมื่นปีกว่ามันจะแตกกว่ามันจะ แยกออกมาก็ได้แต่มันเสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดแต่เรามองไม่เป็นคิดไม่เป็นกันเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันเที่ยงเราก็เลยไปยึดไปพึ่งมันเพราะมันจะให้ความสุขกับเราแต่พอมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นอย่างอื่นไปก็ทาให้เราเสียอกเสียใจทุ ก, กันวันนี้พูด เดี๋ยวใครอยากจะถามปัญหาส่งข้อความเข้ามานะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังประมาณสาโมงกว่าสาโมงไปแล้วจะมีคำถามทางภาษาอังกฤษวันนี้มีมากหน่อยมี30กว่าข้อด้วยกันมีผู้ที่ติดตามทางยู u ูบภาพภาษาอังกฤษด a ม n English เขาส่งข้อความเข้ามาเพราะเขาฟังแล้วบางทีเขาสงสัยบางเรื่องบางอย่าง ก็ต้องส่งเข้ามาทางอีเมลเรามีเว็บไซต์ให้เขาเข้าไปเขียนฝากข้อความได้แล้วเราก็รวบรวมมาพอได้คำถามพอสมควรก็จะเอามาถามตอบกันสักครั้งหนึ่งก็ตกประมาณเดือนละครั้งแต่บางครั้งก็อาจจะมากหน่อยเดือนนี้เร็วหน่อยปกติจะปลายเดือนแต่นี้ครึ่งเดือนคำถามก็มีมากแล้ว ดันั้นช่วงนี้สำหรับญาติโยมทีอ่อยากจะส่งคำถามเป็นภาษาไทยเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้นะเพราะเดี๋ยวช่วงหลังจวันนี้จะไม่ได้มีโอกาสได้ได้ส่งตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาใช่ไหมมีไหมมีแล้วเหร อ, อมีก็ลองถามเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็พูดเรื่องจิตพอสมควรแนละ้วให้รู้ว่าพวกเราทุกคน ตามหลักความเป็นจริงแล้วเหมือนกันหมดมีจิตเหมือนกันมีผู้เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันแล้วก็มีร่างกายเหมือนกันอาการสาสิบสองเหมือนกันทามาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทังนั้นเราไม่ควรที่จะไปถือว่าเราใหญ่กว่าคนนั้นหรือเล็กกว่าคนนี้ เราเป็นเหมือนกันหมดแต่เราก็เคารพสมมุติสมมุติเขามีให้เราเคารพเราก็ทำตามกฎของสมมุติใครเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องยกสูงไว้กายเป็นลูกเป็นหลานก็ให้เขาอยู่ข้างล่างเราแต่เราก็มีความเมตตาเหมือนกันไม่ว่าคนจะสูงกว่าเราหรือเล็กกว่าเราต่ำกว่าเราเราก็ให้ความเมตตาความรักความปรารถนาดีเหมือนกัน พระตจ้าวให้สอนให้เราใช้หลักเมตตาหลักพรมวิหารสี่ในการที่เราจะปฏิบัติต่อกันละกันพรมวิหารสี่เมตตาก็คือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไม่ไม่ไปทำให้เขามีความทุกข์กรุณาก็อยากให้เขาพ้นทุกข์เห็นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปมมติตาก็ให้ยินดีกับความเจริญของเขา เขามีความเจริญก็แสดงความยินดีสนับสนุนในความเจริญของเขาอุเบกขาก็ทำใจให้วางเฉยเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรได้แป่เมตตาไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็เราก็ต้องทำใจเฉยๆเช่นบางเหตุการณ์เราช่วยเขาไม่ได้เช่นไปเขาเป็นโรคมาเรยนีเขาจะต้องตายไปในสามวันสามเดือนเราช่วยเขาไม่ได้เราก็อย่าไปวุ่นวายใจ อยากอย่าไปอยากช่วยเดี๋ยวทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายใจไปเปล่าๆ น, นี่ก็คือหลักของการอยู่ร่วมกันให้ใช้หลักพมวิหารสีอย่าไปดูหลักว่าเขาสูงก็เราต่ำก็เราหรืออะไรอันนั้นก็ดูไว้เป็นคร่าวๆเพื่อให้ใช้กับกับกับสังคมแต่หลักที่จะทำให้เราอยู่กับสังคมได้อย่าง สงบอย่างมีความสุขก็คือพรหมวิหารสีออลองถามคำถามได้เลยคำถามแรกจากทางไลน์ค่ะลูกชายโยมอายุสิบเก้าปีเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกสิบเอ็ดค่ะมีอุบัติเหตุขับรถไปชนคนเสียชีวิตลูกชายอยากจะไปบวชเพื่ออุทิศให้คนที่เสียชีวิตที่วัดยานและอยากบวชสายวัดป่าเพื่อให้มีสติมากกว่านี้และสงบ ใจโยมและลูกชายต้องปฏิบัติอย่างไรคะถ้าบวชไม่ได้ขอไปเป็นผ้าขาวหรือถือศีลและรับใช้ที่วัดก็ได้คะ่ะโยมเป็นคนชนบุรีคะ่ะลูกชายกำลังศึกษาอยู่ปีหนึ่งคะ่ะขอคาแนะนำด้วยเจ้าคะ่ะถ้าจะบวชที่วัดนี้ก็ต้องไปติดต่อกับพระที่กุติเบอร์สี่พระที่กุติเบอร์สีเขาจะรับเรื่องของการบวชอยู่ที่วัดยานแล้ว ทีนี่ก็จะบวชพร้อมกันเจนบวชหมู่จะกําหนดวันวันบวชครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่สองอมิถุนาใครอยากจะบวชก็ไปแจ้งกับผู้ที่รับบวชแล้วเขาจะบอกว่ามีที่ว่างหรือไม่มีที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างเขาก็ต้องปฏิเสธไปหรือถ้าไม่ลังเกียจก็อาจจะอยู่ ที่รวมกันเพราะกุฏิที่เป็นกุฏิอยู่แยกกันนี้มันมีจํานวนจํากัดแต่ก็มีที่อยู่แบบเป็นเหมือนกับศาลาหรือห้องโถงใหญ่ๆที่สามารถอยู่กันได้หลายรูปถ้าไม่ลังเกียนที่อยู่ก็เขาก็จะรับยังถ้าอยากจะบวชที่วัดยา น, นี้ไม่ว่าใครก็ตามต้องไปติดตอ่อกับพระที่กุติเบอร์สี แล้วเขาจะส่งไปให้พบกับเจ้าอาวาสอีกทีคือตอนต้นก็ไปดูก่อนว่าบวชได้หรือเปล่ามีที่หรือเปล่าถ้าเขาบอกบวชได้มีที่แล้วก็เขาก็จะให้ไปกราบเจ้าอาวาสแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาสรับทราบอีกทีหนึ่งคําถามข้อต่อไปค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเบานั่งไปนานๆมีอาการวูบ คล้ายขาดสติไปแบบหนึ่งหมายถึงอะไรครับต้องแก้แบบไหนครับขอบพระคุณครับหมายถึงสติหมดเนี่ยสติเราเวลาเราจเจริญเวลาเริ่มต้นเราก็ใช้สติมากพอจิตเริ่มสงบจิตของเราสติของเราก็แผ่วลงไปด้วยมันก็เลยรู้สึกสับะงบขึ้นมาวุบขึ้นมาถ้าอยากจะปฏิบัติให้ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่ง ขมาลุกมาเดินมาสร้างสติเพิ่มขึ้นใหม่มาเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธแล้วดูการก้าวเท้าใหม่เพื่อให้ดึงสติกลับมาใหม่สติของเรามันแบบล้มลุกคุกคานอยู่เจริญแล้วก็เสื่อมหมดได้เหมือนเติมน้ำมันรถยนต์เติมน้ำมันรถขับรถไปสักพักน้ำมันก็หมดอันนี้ก็เหมือนกันถ้านั่งสมาธิแล้ว พอจิตเบาสงบดีแต่พอสติหมดมันก็จะวุบจะสับปะงกก็นั่งต่อไปก็จะไม่ได้ผลแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าถ้าอยากจะปฏิบัติต่อลุกมาเดินสักพักหนึ่งใหญ่ๆเดินจนกระทั่งเมื่อยแล้วอยากจะนั่งแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่นักปฏิบัติจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถคนบางคนถามว่าต้องเป็นจะต้องเดินจงกรมไหม อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติไงว่ามีมีความจําเป็นหรือไม่ถ้านั่งแล้วไม่สับประงอกไม่อะไรนั่งแล้วสงบจิตนิ่งอยู่ก็ไม่ต้องเดินก็ได้แต่ถ้าจะนั่งแบบทั้งวันทั้งคืนนี่มันก็อาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่อบทเพราะร่างกายนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินต่อถ้าเรายังไม่อยากจะเลิกปฏิบัติเราก็ลุกขึ้นมาเดินต่ อ, อการปฏิบัติก็จะได้ต่อเนื่อง การปฏิบัติก็คือการเจริญสตินี้เป็นหลักคำถามข้อต่อไปจากคุณทองอุสาค่ะ <c oughs> กลับนมัสการและเรียนถามเจ้าค่ะเราทุกคนเกิดมาเพื่อเจอคความบิดผิดหวังความพลัดพราก ค, ความไม่ถูกใจแต่เรามัววิ่งตามหาความถูกใจกันหนูคิดได้แบบนี้แต่บางทีก็เผลอไปอีกและกลายเป็นหลงไหลเจ็บปวดอีกหนูอยากหาย <c oughs> ปิดทิ้งค่ะอาจารย์ ช่วยแก้ให้หนูด้วยค่ะก็ต้องมันฝึกสติและปัญญาปัญญาก็คอยตื่นใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรสมใจหวังไปได้ตลอดเวลาบางทีก็ผิดหวังบางทีก็สมหวังบางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปให้ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าเราอยู่ในโลกของการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ลงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะพัดพากจากกันก็อย่าไปมีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรมาพัดพากจากกันต้องมันจเจริญสติด้วยบททําบทนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะได้มีไม่หลงตามความอยากแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวพอเห็นอะไรชอบขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาก็ลืมไปว่าออมันเดี๋ยวจะต้องมีการพัดพากจากกันออก็ไปเอามา เอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดการพัดภาคจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจคำถามข้อต่อไปจากคุณชานชัยค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระโสดาบันจะไม่กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายแต่ถ้าเราตรวจร่างกายพบว่าเรามีไขมันในเลือดสูงเราเรีบไปหาหมอกินยาออกกําลังกายอย่างนี้เรียกว่ากลัวเจ็บกลัวตายหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ คนที่ไม่กลัวเขาก็รักษาได้คนที่กลัวก็รักษาได้แด่ไม่รู้ว่าคนที่ไปรักษานี้กลัวหรือไม่กลัวก็เป็นได้ทั้งสองแบบคนที่เจ้าของจะรู้ในใจของตอนเองว่ากลัวหรือไม่กลัวคาถามข้อต่อไปจากคุณชนะตนค่ะถ้าเราปฏิบัติเยอะขึ้นความเข้มข้นในการทำทานรักษาศีลจะมากขึ้นตามลำดับไหมคะ หรือมีขึ้นๆลงๆพอช่วงภ า, าวนาเยอะๆโยมไม่ค่อยสนใจเรื่องทานแต่ศีลและภาวนาเข้มขึ้นแต่พอออกมาไม่ค่อยได้ภาวนาจิตก็กลับมาเน้นทานเยอะขึ้นถูกทางไหมคะก็ถูกอะ่ะเวลาเราภาวนาเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทาน <c oughs> แต่เวลาเราไม่ได้ภาวนานใจเราก็ขาดอาหารจากการภาวนา เราก็เลยต้องมาสายอาหารจากการทําบุญทําทานแทนแต่ถ้าเราภาวนาจนสามารถที่จะใช้การภาวนาเป็นอาหารได้เงินทองเข้าของที่เรามาอยู่เราก็อาจจะสละไปได้หมดเลยเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วไม่อยากจะเก็บบอมน้อยก็สามารถเอาไปทําบุญทําทานได้ เงินผู้ที่จเจริญทางภาวนาแล้วจะไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแจะอยากจะกําจัดมันมากกว่าเพราะมีแล้วมันเป็นภาระต่อจิตใจแต่ถ้าจะต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้แบบไม่ยึดไม่ติดมีก็มีไปไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่มีไว้ก็ดีเผื่อกเกิดในความจําเป็นในบางเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ยังอาศัยเงินทองได้ใช้มันได้อยู่คําถามจากคุณชลิตค่ะ เนื่องจากความว่างไม่มีพิกัดขอบเขตหรือรูปรูปพันธสันฐานเมื่อลมหายใจหรือพุทโธหายไปนักปฏิบัติจะเพ่งดูความว่างอย่างไรครับอ๋อก็ดูว่ามันคิดหรือไม่คิดไงให้มันรู้เฉยๆให้จิตรู้เฉยๆรู้ว่าให้รู้ว่าตอนนี้ว่างรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดถ้าถ้ามันจะคิดก็จะใช้สติหยุดมันอย่าให้คิดเท่า น, นั้นเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณตะวันค่ะพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามท่านว่าเมื่อนั่งสมาธิจนจิตดิ่งลงสุดแล้วลมหายใจไม่มีแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปครับกราบขอพระคุณครับเราใช้สติประคองให้มันอยู่ในจุดนั้นให้นานที่สุดถ้ามันนิ่งสงบแล้วมันจะมีความสุขมันจะไม่อยากออกจากจุดนั้นไปมันก็จะใช้สติคอยประครับประคองมันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่ถ้ามันต้องออกก็ต้องออกแล้วก็กลับมาเจริญสติใหม่เพราะสติที่จะรักษาความสงบมันหมดกำลังก็ต้องออกมาออกมาเราก็มาเจริญสติต่อแล้วพอเราเดินจงกรมเมื่อแล้วเราก็มานั่งต่อแล้วเดี๋ยวจิตก็จะขับเข้าไปใหม่ เราต้องทำอย่างนี้สลับกันไปทำอยู่บ่อยๆทั้งวันทั้งคืนเพื่อจิตจะได้อยู่กับความสงบให้ได้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดแล้วต่อไปจิตมันก็จะสงบอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนคำถามจากคุณวิรวิทย์ค่ะบางครั้งนั่งฟังพระอาจารย์แล้วกำหนดลมหายใจแล้วรู้สึกว่ากายเบาสบายจะเป็นปิติไหมครับออปิติมันก็มมีบ้างไม่มีบ้างก็ได้ ปิตินี้มันจะมีอาการแบบขนลุกหรือว่ามีน้ำตาไหลหรืออะไรทํานองนั้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาเลยคำถามจากคุณสุดาค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามเจ้าค่ะทำไมเวลาหนูนั่งสมาธิจิตเราภาวนาพุทธโธไปได้สักพักจิตมันนักมันจะนึกถึงเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้ที่เราพยายามให้จิตนึกภาวนาแต่มันเป็นเป็ น, ปนหายหาย กราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะหนูต้องทาอย่างไรคะสติเรายังไม่มีกำลังหรือ ม, มันยังไม่ต่อเนื่องเพราะสติอ่อนมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกสติไปพยายามบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรือหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราใช้ใดเป็นตัวจเจริญสติก็ใช้มันไป ก็แล้วแต่กับวาระด้วยถ้าเรานั่งเฉยๆเราก็อาจจะใช้ลมหายใจหรือใช้พุทโธหรือใช้บทสวดมนต์ควบคุมจิตถ้าเวลาเราอยู่ในอิรยาบถอื่นเราก็ใช้อิรยาบถเหล่านั้นเป็นตัวกำกับจิตก็ได้เช่นกําลังเดินก็ให้มันอยู่กับการเดินกําลังรับประทานอาหารก็ให้มันอยู่กับการรับประทานอาหารอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยคําถามจากทางไลน์ค่ะ ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงยาปราบศัตรูพืชจะบาปไหมครับเจตนาฆ่ า, มาแมลงครับถ้ามันตายก็บาปหมดแล้วเหรอยังมียูทูอีกอ่าเอเคตามสบายค่ะคำถามจากคุณปริชาติทางยูทูบนะคะ เราควรฝึกได้ฌานสี่ก่อนใช่ไหมคะถึงจะสามารถมีสมาธิในการเจริญปัญญาจริงๆได้แล้วการที่ได้มาซึ่งฌานเราควรทำอย่างไรคะฌานสีก็เกิดจากการมีสติเนี่ยถ้าฝึกสติมีสติกบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้เวลานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเป็นฌานสีขึ้นมาเป็นอุเบกขาสัพตะวารุออคาถามข้อต่อไปจากคุณกรณ์ค่ะ กรับนามัส ก, การค่ะโยมมีกา ร, รเรื่องโดนหลอกบ่อยครั้งจะต้องฝึกจิตแบบไหนให้มีนิสัยตรึกตรองให้มากขึ้นคะก็เราเป็นคนเชื่อเชื่อคนง่ายนิสัยชอบเชื่อใครมาพูดอะไรก็เชื่อไปโดยที่ไม่ได้ม า, ามาตรกตรองหรือมาพิสูจน์ก่อนพระพุทธเจ้าสอนในการลามาสูตรอย่าเชื่อคนง่ายๆไม่ว่าเขา จะเป็นคนแบบไหนเป็นอาจารย์เราก็ไม่ให้เชื่อแบบเชื่อเลยหมายความว่าฟังได้แต่อย่าไปเชื่อแบบไม่ปฏิเสธคือไม่ใช่ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับว่าอย่าไปปฏิเสธเขาพูดอะไรเราก็รับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ยัอย่งเราต้องใช้ถือหลักนี้ คือเราไม่ปฏิเสธใครมาเล่าอะไรเราฟังมาพูดอะไรเราฟังเราก็รับฟังแต่ไม่ต้องเชื่อแบบเชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังแบบที่เขาพูดอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้ไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่เขามากล่าวร้ายคนนั้นว่าขโมยเงินของเราไปเราก็ต้องหาวิธีพิสูจน์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปกล่าวร้ายเขาหรือไปโกรธเขา อันนี้คือหลักของการการฟังใครฟังอะไรแล้วฟังหูว่ว้หูอย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธจนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างใดอย่างหนึง่งคำถามข้อต่อไปจากคุณนรุมน์ค่ะกลับนมัสการอาจารย์พระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามค่ะคือเมื่อหลายปีก่อนหนูขับรถแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายคนขับรถ ชนท้ายคนขับรถเมื่อจะใส่กระเด็นไปถนนอีกด้านรถกระบะสวนมาชนคนตายค่ะหนูจะทำบุญอุทิศอย่างไรคะเพื่ออุทิศให้กับคนตายค่ะก็ทำบุญแบบบริจาคเงินทองเข้าของให้กับพระให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับที่ไหนก็ได้เมื่อเราบริจาคทรัพย์เข้าของที่เราไม่อยู่เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาจากการที่เราได้เสียสละ แล้วความสุขใจนี่แหละคือบุญที่เราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้หรือถ้าจะให้ได้บุญมากจริงๆแล้วได้ประโยชน์กับคนตายมากก็คือไปอดูแลญาติพี่น้องของผู้ที่เขาเสียหายอันนี้ไปช่วยเหลือเขาไปชดเชยความเสียหายให้กับพ่อแม่เขาหรือลูกหลานเขา แล้วจะทำให้เขานอนตาหลับคนตายไปเขาจะได้มีความสุขว่าอย่างน้อยลูกของเขาหล้านของเขาหรือสามีภรรยาหรือพ่อแม่ของเขามีผู้มาดูแลแทนเขาอันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญที่ที่ได้ได้ประโยชน์มากคำถามจากคุณนริศราค่ะเวลาจิตรวมสงบแล้วแต่เวท เวลาจิตรวมสงบแล้วแต่เวทนาเกิดทำอย่างไรคะเป็นทุกครั้งที่สงบพอถอนออกมาก็ยังมีอาการเวทนาไม่หายคะ่ะเวทนามันก็เป็นเวทนามันจะเกิดจะดับมันไม่เกี่ยวกับจิตสงบหรือไม่สงบจิตสงบเวทนายังมีอยู่ก็ได้แต่ถ้าจิตสงบแล้วจะไม่ลาคาญกับเวทนาจะอยู่กับเวทนาได้อย่างสบาย ่ถ้าเวลาจิตไม่สงบนี่เวลาเกิดเวทนามันจะลำคาญมันจะหงุดหงิดจะอยากให้มันหายเั้นมันเป็นเรื่องเวทนานี้มันไม่เกี่ยวกับความสงบหรือไม่สงบบางทีสงบมันก็ไม่หายก็มีบางทีสงบแล้วมันหายก็มีเห็นปัญหาก็คือว่าเราต้องอยู่กับเวทนาให้ได้อย่าไปวุ่นวายกับมันมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ถ้าเราทำได้ต่อไปเราจะสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณท็อปค่ะรู้เลือดลมภายในทั้งร่างบางเวลาร้อนได้แข็งทำให้เป็นทุกข์บางเวลาอ่อนและเย็นทำให้เป็นสุข ปฏิบัติมา20ปีแล้วพอที่จะหยุดความคิดตัวเองได้แล้วแต่ยังเสวยทุกขเวทนาทางกายอยู่ขอพระอาจารย์แนะนําว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะไม่มีทุกขเวทนาทางกายค่ะทางกายเวทนาทางกายเราห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องมีตรับใดมีร่างกายมันก็ต้องมีเวทนาทางกายแต่การปฏิบัติของเรานี้เพื่อปล่อยวางได้ปล่อยวางมันคืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไป ังเกียมันอย่าไปยินดีกับมันสุขเวทนาก็อย่าไปยินดีทุกขเวทนาก็อย่าไปรังเกียจปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราต้องมีสมาธิทำใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะปล่อยวางเวทนาได้มันจะสุขก็รู้ว่าสุขมันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ใจนี่เหมือนเดิมเหมือนกับเวลา สุขหรือไม่สุขหรือทุกข์ไม่หรือไม่ทุกข์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปใจจะนิ่งจะสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนั้นถ้าเราอยากจะตัดปัญหาเรื่องเวทนานี้เราต้องไปตัดที่ใจไม่ใช่ไปตัดที่ร่างกายเพราะว่าเวทนานี้เราไปห้ามมันไม่ได้ตราบใดมีร่างกายมันก็ต้องมีคนแก่ที่อยากจะตัดเวทนาก็ต้องไปฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาถาวร เพราะความอยากมีร่างกายมันยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหม่เดี๋ยวก็ไปมีร่างกายอันใหม่วิธีจะแก้ปัญหาเวทนาของร่างกายก็ต้องทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาพอใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความไม่เจ็บของร่างกายอยู่กับมันได้ทั้งสองรูปแบบคำถามจากคุณลีค่ะมีคนมาขอยืมเงินเราไปแต่ไม่ไดเอามาคืนเราจะไปตามคืนเราจะเป็นบาปใหมเจ้าคะ อ๋อไม่บาปเราแต่เราควรจะพูดดีๆอย่าไปด่าเขาไปว่าเขาพูดแบบแบบเป็นเพื่อนกันรักกันพูดแบบเก่งใจกันว่าพี่ผมเดือดร้อนนะตอนนี้เงินที่พี่อยู่ไปพี่ไม่คืนผมผมก็ขาดเงินถ้าพี่จะเมตตาก็ช่วยคืนเงินให้ผมด้วยเถิดพูดดีๆแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจคิดว่าเป็นความโง่ของเราที่ อยู่ดีๆเอาเงินของเราไปให้เขาเองนั้นก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปแล้วเราก็จะได้มีความสุขใจแต่ถ้าเราไปโกรธเขาเราไปแค้งเขาเดี๋ยวก็อาคาตพยาบาทเดี๋ยวจะไปคิดทำร้ายเขาได้คำถามข้อต่อไปจากคุณสุรจิตทาง y o u t u ู e ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตที่มีปัญญาคือจิตตัวรู้หรือจิตตัวคิดครับ จิตเป็นตัวรู้ตัวคิดปัญญาเป็นตัวที่จิตศึกษาต้องเกิดจากการศึกษาถึงจะมีปัญญาได้ศึกษาว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ตัวรู้ตัวคิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวรู้ตัวคิดต้องศึกษาเหมือนเวลาที่เราไปเรียนหนังสือเราก็ไปศึกษาถ้าเราไม่ไปศึกษาตามโรงเรียนเราก็ไม่มีปัญญาตัวรู้ตัวคิดก็ยังมีอยู่แต่ตัวรู้ตัวคิดมันคิดไม่เป็น คิดแบบเป็นทางปัญญาไม่เป็นมันก็คิดไปแบบทางความโง่เขาคิดไปตามความหลงเท่านั้นเองที่เราไปเรียนเพื่อที่จะได้มีปัญญามาแก้ความหลงความโง่เขาความที่ไม่รู้ความเป็นจริงฮะ เ, เมื่อก่อนคนก็คิดว่าโลกนี้แบนใช่หไหมก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็จะสอนเร ว, ว่าโลกนี้มันกลมคําถามข้อต่อไปจากคุณอคานุชค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ครับ เราควรจะปฏิบัติกรรมฐานตามลักษณะจริตหเช่นพุทธจริตและควรจะปฏิบัติชามรณานุสติกรรมฐานหรือจตุธาตุวัตฐานใช่ไหมครับคือการปฏิบัตินี้มันเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเราอ่านนี่มันเราอ่านแบบรวมยอดของขั้นตอนของการปฏิบัติเราก็เลยงงว่าเราจะเอาตรงไหนก่อนองนนขั้นั้งขั้นแรกนี้เราต้องเจริญสติก่อน สติก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถทําให้ใจเรามีสติขึ้นมาแล้วพอขั้นปัญญาเราก็ต้องพิจารณาธาตุสีพิจารณาอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งเห็นขั้นตอนนี้เราต้องฝึกสติทําใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนส่วนเรื่องปัญญายังไม่ต้องกังวลคําถามข้อต่อไปจากคุณทองอุตสาหทาง facebook ค่ะ พระอาจารย์คะมาหนูตายคะ่ะหนูขออุทิศบุญให้หมาตัวนั้นจะได้ไหมคะเพราะมันฟังความรู้เรื่องขอให้ไปเกิดในภพที่ดีหมาตัวนี้ชอบฟังพระเทศคะ่ะหนูเศร้านิดหน่อยเพราะไม่ได้กล่าวลากันคะ่ะได้อุทิศมันหมามันก็เป็ น, ม, น, ปนมันก็มีจิตใจเหมือนคนมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันงะเวลามันตายมันก็มันก็อยากจะให้คนไป ดูแลให้ความช่วยเหลือมันเราก็ส่งบุญไปให้เขาได้ทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับหมาไปได้เดี๋ยวคำถามอีกข้อนหนึ่งนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วสาหรับช่วงนี้ค่ะคำถามจากคุณการค่ะขอเรียนถามดังนี้ครับผมได้นั่งสมาธิโดยใช้วิธีกำหนดรู้หลังจากที่ฝึกนั่งมาหลายวันรู้สึกว่าตามอารมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้น <c oughs> เวลาโกรธ จ, จะรู้สึกตัวได้เร็วและหายโกรธได้ ได้แล้วขึ้นแต่ก็กลายเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นไปด้วยเป็นเพราะเหตุใดควรทําอย่างไรถึงจะหายหงุดหงิดง่ายครับกาขอบคุณครับเพราะความหงุดหงิดเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไลก็เกิดความหงุดหงิดเราก็จะ อ, อยากไปอยาก เราต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาเป็นกล้วยก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มนะก็ยอมรับว่าเขาต้องเป็นกล้วยไปแล้วเราจะสบายใจไม่หงุดหงิดปัญหาของเราเราชอบไปเปลี่ยนเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยหงุดหงิดไม่ใช่แต่คนหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกันอยากจะให้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยมบายังไม่สงบเรียบร้อยก็หงุดหงิดขึ้นมา เราต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบบางทีก็มันวุ่นวายบางทีมันก็ไม่วุ่นวายเราทำอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วเราจะไม่หงุดหงิดเราสําหนับช่วงแรกนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะระโสยธาเมณิโจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังวุทฒาปัจายโน จตารโอธรมมาวทานติอายุวโนสุขังภาลั